เดือนองอยลมหน้าหนาวนวลคโบราณเมื่อหมอกหน่อยห้อใหม่นวลหนาวคำโบราณทั้งคิดทั้งใจเธอ้รื่อเดือนก็เหมือนกันปีก็เหมือนกันวันก็เหมือนกันเดือนข่วงสมุดปีใดเดือนใดวันไหนยามไหน ยามสีบวมี่เกิดนี่แก่นีเจ็บนี่ตายมันบอมนี่ทำยามในวัฏจกรทรุกข์ น, นั่นมี่จะกล่องทุกข์ท้งนั้ น, นายามไหนย่ามสีบุทุกข์บุีเกิเลยเพราะบันฑ์รู้จะกล่องทุกข์เหนื่อยจังสั่เจึงมื่อ้นทางปจบัตรจะออกจากทุกข์ คันบ้มีทุกกับนีห้างนรับรถจกานออกกัดทุกข์ันนั้นบอกกระปกกับบ้อนี่หทนางเสียอาบน้มนทสาอาบน้ำนี่ก็เพะมันไม่คว่ำสกระโปนสาะกดระาักายขันบ้อีโรคกับบอีคุณหมอเสียรักษา ขันโนมีกิเลสโยมีท่านศีลธมะนาเฮมาแกเอมาร์ามกกันเข้าม า, าชาติทปะไตยคยอย่างคือพระพุทธวัฒน์พระสงฆ์ธรรมาที่ปไตสหมัพระพุทธัฒนพะสงฆ์นี่ยพระพุทธธรรมสมควัจกะทำเทิดแต่กรเ็นแนวธรรมาธรรมะฏปฏิปติ ประพฤ ต, ติทำให้สมควรแต่แต่ทำแค่ดจตองเค่แล้วเมตตาตนก็เมตตาใจอันเดียวกันท่ำไรตนกับท่ำไรใจก็อันเดียวกันใจเฉิ้นขังดีใจก็เฉิ้ดีใจเฉิท้ทขังสัวใจก็เฉิ้นซัวตามเหตุผลขว่วนคาของเหตุที่สาสนอยละมา นอกจากใจควไ ม, ม่อันไี้จะเคืงนอกจากใจความวิอันไี้จะเลือกเฟ้นของดีเป็นของตัวเป็นได้ย่อมเป็นที่เฟ้นของใจท่ำเขาย่อมเป็นที่เฟ้นของท่ำแต่มีคนน้อยอันเดียวกันนอกจากใจควไ ม, ม่อันไี้จะเปี่ยนเปียนใจ นอกจากถ้ำก็ไม่มีอะไรจะเบียดเบียนถ้ำก็มีความาอันเดียวกันพาอมาโยในหลกเขาค่อยเอาอยังค่อยเอาอยังกระบไดนอกจากสค่อยเอาสินถ้ำเขาเช็ดกับใจจะคลองสนักต่อสู่เพื่อให้ความหลอดจะเป็นวั น, วน เคองโป่เครื่งองบลลโปกงเครื่องลูกครืงกินเครื่องใส่เครองซอยต้องซ่อสู่กันประจำวันเพื่อหายหลอดจะเป็นวันวันหันใจเขาออกก็เพื่อหายหลอดจะเป็นวันวันเพื่อหายหลอดจะเป็นไมหน้าที่ถึงจะสมผระสงค์แล้วปรสงประสงคกัะตอมรงดินร่นกันโยงสัตวความเดินร่กนเพื่อจะหายโยนหลอดไป แลววรีรุ่นไปทั้งดีพระพุทธเจ้าทรงเสริมเรียนรุ่นไทั่ง่วนพวนระพุทธเจ้าก็ทเสริมอุฒาตาวินทะเตทะนั่งคนมันจ่องหาทรัพย์ได้หมายความมันทํางานนะคสอบบอไม้ความมันไปเรื่อยๆเด็ดาเ็ดาเดเบอวุฒาสาวินทะเตทะนัง คนมันย่อม า, อารับได้ไม้กินควบกวังไม้ทั้งวัดถุนิยมและอุดมกติซับในทั้งอุดมกติเป็นโลคตระลัศับิ รับทั้งวัดฏุนิยมแ็่โลกียาครับแร้งหามาไหนในสร้างที่ชอบเมื่อบำรุงจะปฏิบัตโิโรคกุตตะละก็กลายเป็นโรคกุตตะละแต่ต้องกันหมายท่านรักษาสิา่งภาวนาเพื่อโรคกุตตะละว่าผลทุกนาวตาคงสารถ้ามาหาเหลี่ยงชีวิต คือจักรติบัดเส้นร้ำขวบไปหลอดไปเป็นวันวันขวบกันกับตี้วิตของเห่าผู้มีปัญญาขาเป็นวัตถุนินยมไหวได้หมูก็เป็นวัตถุนินยมไหวไห้ยมูก็เป็นวัตถุนินยมไหวใด้ลิ้นก็เป็นวัตถุนินยมไหวได้กาย เป็วัตถุทิงยอมพายได้ใจก็เป็นวัตถุนี่ยอมพายได้วัตถุที่ยมพายหรอกลูกเสียงเส้นรถโถดธัปทะทำว่าร่มไม่ดินน้ำไฟร่มก็เป็นวัตถุพ่ายหรอกดินน้ำไฟร่มพ่ายใด้เป็นวัตถุพ่ายใด้คือดินน้ำไฟล่มโยคของพายของว่านผมคนน้่ก็หนังเงกระดูกเป็นถาตดเป็นต้น ที่สมมติจะเป็นของใครของว่าที่ทั้งหลายเราเนี่ยเกิดเป็นแปรปรวนและแตกสลายวัดกองปราบอนิจจังมิไตอํานาจกองปราบอนิจจังมิไตอํานาจกองปราบทุกขังอีกมิไตอํานาจกองปราบอนัตตาอีกมันไม่ทราบมันไม่รู้คนเกิดมาแล้วแปรปรวนและแตกสลายมีทั้งขันและกองทุกข์ว่ามิทราบว่นี้รูกคน ตสมุดอาซาดวกอนกสมุดใส่กันขวใหารู้จักจำได้ไม้รูหัื่อบรัทมอจัไม้กันอาจจะแทรกทีให้ไปถัดดินถัดน้ำถาดไฟถัดร่นร่มดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกไเป็นไฟร่มแตก็เป็นร่มกิดขึนที่กายกับแตกร่องท่อกายงยท่อสั่งกับแตกล่องทอสั่งงทอภูเขากับแตกร่องพอภูเขา แต่รดไปเป็นดินเป็นนาเป็นไฟไปร่วมของเก่าแล้วดันกิเลสก็ไปเป็นกองทุกข์่ันท่ก็ไปเป็นท่ำ่วนพันยา้ามัวนก็พอยพลอยมาถึงก็เป็นเรื่องของพวกนั้นพลอยคิดว่ามาเถึงก็ไปเรื่องของพวนั้นพลยค่รู้ตามเปเจงก็ไปเรื่องของพวกนั้น่รู้ตามไปเจงก็ไปเรื่องของพวกนั้นพลอยคิที่รู้ตามเปเจงก็ไปเรื่องของพกนับนพยคว่รู้ไปเจงก็ไปเรื่องของพวกนั้น ทำทั้งหลายมวยเป็นจีลงงกัานเ้ยที่ลงก็เป็นจริงตามเรื่องของผู้ลงเฮยที่บ่ลงก็เป็นเรื่องของผู้บ่หลงทำทั้งหลายสั้งคันท่ำกับเขาจะมาหลงเข้าวิทั้งคันท่ำกับเขาจะมาหลงเข้าเขาจะมาปล่อยเวนเส้นแทงเข้ามู่ห่อไปหลงก็คือมันเเป็นเรื่องง่ายเ็คอเป็นเรื่องง่ายแต่ทองเที่ยวยั่ไง โลกตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกใจใจพระพุทธเจ้าก็จัดแต่โลกหน่วยหนึ่งพราะความนึกความคิดมันชุดว่าเป็นจับเต็นหน้า ม, มาโลกใจเป็นหัวหน้ า, นานของหน้า ม, มาโลกทุกคนไปแล้วเพื่นก็รู้เท่าใจเพ่อนเพื่นเอาใจรู้เท่าใจเอาปัญญารูาา้เท่าปัญญาเอาสมาธิรู้เท่าสมาธิสัมปชัญญะรู้เท่าสัมปชัญญะ มันก็เลยฝััหาไ ป, ปหาทั้งหลายก็บอกนี่ห้อ ง, งท่านรูดเท่ามี่อความหลงเึ็นมากทีข้อของปฏิบัติเส้นท่ำความหลงกับอยากกระเชิไบ้านตามที่กาลัางไฟห้องมันปฏิบัติเอาอิรมยนก็แตกไปอีรยาความหลงอยู่านต่อสู้ความหลงอหมือนน สองข้ามความหลงสองข้ามโลภสองข้ามโกรธตงข้ามหลงอยมาต่อสู้กับเมื่อไงหน้ากันกับสนะนี่ว่าชนะกับว่าสณะนี่แพร่กับพายโยนี่สนะกับสณะโยนี่คล้องเสียงโลกว่าป็นจารย์สายไหนยินจะเข้าเกิดไหนยิ่งจะเข้าแก่ไหนยินจะเข้าเก็บไหนยินจะเข้าตาย ไหนเจะขาวเว้นสน้องเว้นไพ่สน้องไพ่ข้าวสมานสามัคคีกันนีนอยออ น, นออยี่จะข่าวบัตรบัต้ตอกมันคู่จังสั่นเมื่อจังสิวสาธุพัฒนวนเวียนบมได้น้อยมึงได้ร้ายยังส้ำนักบูมีม้ยงดดมึงบ่มงียดกู้มียลับมึงบ่ี้หลบมาตาทงสาลอันนี้ ผูเบื่อผู น, นายคนอนุกว่าขาดทุนคนมิข้าเห็นไผ่ในวัดตาสองศาลเป็นค้ามสอนของพวกเจ้าทั้งหลายมิข้าเพิ่นในวัดตาสองศาลเป็นค้าสอนของพญามารมาโลปาพิมะคมาพุ่มีบาบ มันเกิดขึ้นที่อุปโนโคเมีเกิดขึ้นี่ใจของเราต่นี้มันก็เกิดขึ้นเด็กกิเลส ก, ก็เกิดขึ้นจากใจมากออนใจยเยอะนี่เพิ่นเปียบกิเลสเหมือนกีฟา่าเหมือนเมือกเหมือนหมอกกิเลสเพิ่นเปียกเหมือน เพื่อเหมือนเทวันไปพันไหมพัดเปียบเหมือนกี่าพ่ดกับเปียกพัดเปียกเหมือนน้ำเป็นตะกอนพัดกับเปียกน้ำสะอาดไม่มีตะกอนเล็กดีไม่มีสนิมเมื่อได้อากาศดีกับไม่มีกฟ่ฝาลายแต่เมียบางเมีบางหมอกที่เหลือพัดเรียกเหมือนเมียเมืนหมอกไปบางพระอาทิตย์ บวกสำลักกิเรสได้เขาสู้พขาในผ้ามาค็ามทิพย์แม่ทรายองมาหาสมุทรอยโกรธมาหาสมุทรสุลักย่งงี้ทั้งนา น, นี่ยกรกลายก็ลอยโกรธอีกมูห<ม>้องก็เตรียมตัวกาลังจะไปละตัง้งนาละกลังสเดินขบวนไปละมือห้องเดิน ข, บว น, ข, บ, วนขบวนเขาสู่พขาในผ้า บอกวก่าถือศาสนาเดินขบวนว่อนอยู่ในวันตาสงสามบอกถือพุทธศาสนาเดินขบวนออกละ่ะน้ำกลันออกพระโสดาบันเดินเดินขบวนออกละ่ะน้ำกลนพระเจ้าธาข้ามี่พระเจ้าข้าข้ามี่กับน้ำกลนพระอานาข้ามี่พระานาข้ามี่กับ น, น้ำกลนพระอรหัน์ พระอรหันตสาวกน้าคนพระพุทธเจ้าเต็มพู่มเนี่พระอรหันตสาวกงานปะจบเจ้าคุเนยมั่านถึงพระอรหันต์นี่ยงานบรจบั่นน่านคิดกิบปรจบมันเ็ย่งมันจังจบมันจังนืกอจังคิดมันเนึกขึ้นมันคิดหาความสุขของมันม่อมันบ่ได้แลกันนื้้านยงนเ่หลงมันเนือไปนึ้ว่าเขาลงแค่ล้ค้าจะคอง เจ้าวัดเอื้องของเขาจะขอหอนว่านไปว่านมากเือโกดมวัดที่เมื่อขามโลกเป็นวันขามาปขามไปขามไปขามมากมากแค่เกาะสีสั่งโกดมวัดก็แม้เนี้ยแล้วมัว ห, ห่ก อ, อาาก็มาข้าขเกาะสีหักเกาะสีสั่งอะไรละมาข้ามผูาข้ามู้เขาผูเล่าอะ ขวาพู้เขาพู้เล่าว่า ท, ท่านใดพระ ห, หนันขับผูกเขาผู้เล่าได้แล้วขวับก้อีสั่งไในแล้วม้าห่าวก้อศีรษะขับว่าอะไร ก, ก้อนศีรษะขับว่าอะไรที่กลักขนเ่ามันหักศีรษะหักถ้ำแล้วไม่หักกิเลสก่นหักศีรษะถ้ำมาไปอังหัีรษะถ้ำเพืจะ อ, ออกจากกิเลสันเป็นมนุษย์ท่านใหล่ลำสายนะพระพุทธศาสนาและะ้ว ได้รักได้ที่เพิงได้ที่จับละ่ะเร้อคนขามทเมทเรกว่ามิที่เกาะมิทิเพิงมีเหื่อไม่แค่ม่รักจับมันวัถึงว่าถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่รักว่าบ้าคือพุทธเาว่ามีควอมเถาไปบ้ได้พุทธเถาสามขา มานนี้นี่สามขาบอ่เชี้ยวสว่างสามก็พระองค์เก่าแท้ๆแต่เชี้ยสว่างสามขาน่หมายถึงว่าไี่พูดถึงพระพุพระท่พระสงฆ์บอเรียกว่าสามขานี่ลวงว่ามมใไม่เอายังมาเป็นฟ้าทาให้จวงไม่จัน ไม่วัดว่ามีพระเจ้าจะไปไหว้บ้านไหนอะมึงยังพูดประพฤติ ด, ดีประพฤติชอบมึบงนไหว้หหกั น, นาาจจามาทางนอกระวายเคลียร์ไห้ใจจะของอย่างพดโทษทั้งโมทั้งโคจะจ่ายจของหาพระพุทธธรรมประสง์หาอยู่ในดวงใจจ่ของเห็นก็นเห็นยากผมว่าเห็นกับว่าเห็นไม่ น, น, น, นานแหาทางหนอกแห้งบ่ก ข้าขมาวัดบรถ้าเห็นวัดแขกบรรณโนวัดข้าวห่ละข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ี่ไส้กิบไส้ไกาวี่สกายเฮาวว่ามันเจิงกายวัดว่ากี่วัดว่าโน้ววัดมาไปสามมาเปสองกายวัดวใจวัดวัดของใจวัดของกายวัดราวัฒนดีขอวัด มีเวลามาอยู่หอดมือนี้แต่ด้อบรอบบ่มนิสัยชิ้นท่ำเพิ่มขึ้นอีก แ, แล้มีเวลาหอดมืออือนมือมฮึ่มแล้วมีเวลาปฏิบัติชิ้นท่ำกระดัมบ่ย่ระดับเตาสูงขึ้นดําเรื่อยจิตใจฝึกฝือในทางดีก็สูงขึ้นเรืลยยึดใจเฟือกฝือในทางตัวมันกระสูงมาทางตัวมันกระตำร่อง ขันโมฝึกยึดกับว่าไม่น่ึกย็ดกับของไม่คามีุ่นคาฝึกคุนดีกับฝึกแคหันฝึกนัวฝึกคนัวกับึกแค่หัก็รุดขุนฝึกแค่หน่อยก็รุดขนหน่อยฝึกแค่หลายก็รุดขุนหลายขนเท่าก็เอาทั้งทั้งทีขุนดีข้อมสัวมาเกิดน้ำละแต่ว่าสิพระยางๆเหล่าเพ่นเอาแต่ขุดีไว้สิพยามแบบลูกขุมดี พุเก่าบดีมบนจ้แ่ทองสังมาได้ี่มากา ม, ม, ามักเทไรเทไรพระอริยเจ้าทั้งหลา ย, สสาาายก็ยสื่อสากุ้ยเชี่พักกุ้ยเชี่ยพยพัเก่งก่าสั่งเปแปลงมากอะอบันกวา่าเชยังลุงยังเต่าไงาอะ น, นั่นั้นคือกันพระองค์เจ้าคือกันกว่าเชีดยเขาซู้อเได้พักก็สังมาบางเรของอร่อยเหมือนกัน บบ ล, ลุกคุกค้านมากมิเรยอศุขัรรเสียตีนคนลวงถูกแต่พราะความเพียรความสำเร็จยกับความเพียรมิเรเอป่าละเมอสัมปะโนมิเรยออุปปาละเมอสัมปะโนเพียนขึ้นไปสูงก่อนอันเอง วิทยปาปารมาธาปารเมสัมปโนดเพื่อนเคยไปสูงกันที่สุดสิ่ตายกันพวกเพี่ยนอย่าหัวมันข้าในปารเมสัมปโนเรียก ว, ว่าท่านธรรมดาเขากินเรียก ว, ว่าท่านธรรมดาท่านเอาปารเมสัมปโนท่านสูงกันไปก็อย่างนี้ ถ้าเรปรมัดท้าปรามีสัมปโนของอนันต์หวงที่สุดเลยเอาไปท่านได้สีทีปรามีสัมปโนกทันเป็นสีธรรมดาขาดเวียนบาสสีแล้วก็ปรามสัมปโนสูงกว่านั้นสีปรมัดท้ปรามีสัมปโนทตาย้อนสีก็ตายงอนรักษาสียาวหัวมันเหีวเผาอเนี่ยนั่นแหละที่อัตติย่างงอนละรักษาสียาหัวมันตายข่าสีนอนันสีเราปรมัดท้ปรามสัมปโก เนคขมาปรมสัมปโนออกบวชธรรมดาเนคขมาอุปาลมีสัมปโนออกบวชถ้าเทียนขัดก่อนนะเนคขมาปารมาท้าปารมสัมปโน่ทีตายยอดบวชกับย่าหัวมันเพาะให้ได้บวชเพให้ได้ปฏิบัติก็ผทุนในมาระต้องสารอันนี้เพราะปรมาท้าปาเมสัมปโนปัญญาปารมีสัมปโนปัญญาหายหาสินงหายใส่หายซอย เนี่ยของนอกๆปัญญาเอาปรมาภิสำปโนปัญญาแสวงทำท่านทำศีลทำผ้าวันหน้าปัญญาปรมาทถาปรมาภิสำปโนใส่ปัญญาที่สุดนะเวียปารมาภิสำปโนเพี่ยนระบาปบำเพ็ญบุญสั์จำจำเวียปรมาทถาปรมาภิสำปโนเที่ยนสูงไปกว่านั้น วิาศวิญยปาปรมัท้ปาปรามีสัมปนโนสิตายยคุ้มเพื่อนยาหัวมันเพื่อระบาบควาเพื่อนบุญขันติปรมีสัมปนโนวดทนทั้นแรกชั้นหนึ่งวดทนนละตัวทําดีอวดทนต่อการต่อ ง, งานในทางที่ชศอบก็บคือกัน วดท้นต่อการปฏิวัติทิรร้ทขามมให้กันวดท้นยางำํำขันติอุปปารามีสัาปะโนวัดท้นสูงไปปนั้ขันติปรมัตถาปารมีสําปนโนที่ตายย่าหัวมันทีตายยาา่าเขาทนย่าหัวมัน นี่ยาวปามะารมีสัมปันติปรามะทาปรมีสัมปโนสัจจาปรามีสัมปโนตั้งสัตย์อไรเพรงะทำไรนึงตั้งสัต์เพื่อจะทำดีสีรตัวทำดีสัจจาอุปารมีสัมปโนตั้งสัตย์ใเข่งคนนั้นสัจจาประมีสัมปโนตั้งไว้เข่งนนั้นอีกสไตงายข้อมสัตยาหัวมันบ่ห้มันเสียบ่หาเสียสัตแต่ อธิษฐานพระปาณีสัมปันโ น, น่เอนอธิษฐานไว้ยางต่ ำ, ตำอธิษฐานยางสูงก็หัไปอีกอธิษฐานยางสูงไปอีกที่ตายเงาควมอธิษฐานหรือยาหัวมันพอาอธิษฐานในข้างดีแล้วว่าอธิษฐานขางตัวเมตตาพาะปาณีสัมปันโน เมตตาพ่อปัญปะแต่หน er, ึ Israelis, 對對่งเมตตาตนและตาผอืเมตตาโอกว่าละมีสัมปันโนเมตตาสูงกต่คนั้นเมตตาปัลมาถ้าป่าลมีสัมปันโนสีตายอดกว่วเมตตากังหัวมันจะอึดยากยอวเมตตากรยาหัวมันคงแท้ไท้เลยกเบีขาป่าลมีสัมปันโน ความว่างเสยอยางต่ำความยังว่างเสยอยางต่างความว่างเสยอยางุดขีดความว่างเสยอยางุดขีบก็ะหม่อความความว่างเฉยของโลคุตตะละความว่างเฉยของพระโสดาบันความว่างเฉยของสักข่าข้ามี ความว่างเปลยของพระอานาค้าม่ความว่างเสลยของพระรหันต์ไม่ยิงย้อนก็กลั่มา่านปาปะมี่ปาาา เ, มเป็นเท่าไรทาศีรษะเป็วคัสสะอัเมโอท่าแปลว่าท่าสีแปลว่าศีนเน่แปลว่าเนคขมะออกบวชปะแปลว่าปัญญาวิแปลว่าวิพุ่มเพียงฆะแปลว่าขันติสะแปลว่าทรัพจา อ่ะแปลว่าอธิษฐานเม่แปลว่าเมตตาอุแปลว่าอุเบกขาอุเบกขาความมางเฉยในใจไม่เสียใจเมื่ออื่นถึงความเไม่บัดอันนี้อุเบกขาในพ่อมาวยาหารเมืรร่อคนต้องน้ำมันเหลือไปใส่ให้เขาเสียเอาได้แล้วเลยอุเบกขาสักหรือกำของเขาหลายถ้าไปแก่มันแก้ว่าต๊ะ ตามกรรมของสัตว์ว้ก็เลยอุเบกขาท่านอุเบกขาเนี่ยพวมาวิหารเมตตาความรักรใคร่สาธารชห้เป็นสุขกรุณาความสงสารที่จะช่วยคนทุกข์เมื่อส่วยอะไรก็เลยอุเบกขามันหมดมุทิตาความพอเ ย, ยันดีเมือ่อผูมได้ดีม่วเห็นเขาแด่ดีในทางที่ชอบก็บพราขี้ึง ได้นะว่าในท่านที่บ่สอ บ, อบอกับพวกยันดีนั่นแล้วแต่นเนเขาเด็กไปลักมากสิลักค้อยัวยยังไงมากสิโอ้ยดีตอักับวัสาลาต่อสันกับพกี่แน่อ่ะแล้วสันบริจัดเขานอ น, นั้นเขาไปเล่นเรขออกว่าสิเขาได้ลลายสินนยันดีนั่นเขากับวัตถุกันนี่มันผิดพิษทำพระเจ้าอันนีเขาไปตึกปลาก่อยใหญ่ยยังไงสิจะมันเป็นจ้าบุญนั่นสันออ ก, ก็บพววถุกััน มันเป็นัดเขาได้มูลที่ตาพ่อยิ่งดีมั้ผู้อื่นได้ดียินดีเนี่ยเขาได้ปรกคอตัวยิง่งตายไปไปเป็นจางยงอภัยบาญต่กตาเขเป็นจมูกเนาะได้ปกคอตัวยิง่งตายไปจะไปเป็นจางยงอภัยบาญเขารักทรัพย์ม้ยยิ่งดีของเขาเพาะว่าได้แต่รักเขาดอกแต่คื อ, อยินหดีขําเขาเนี่ยขอไร้ข อ, ขอนึงนว่านะว่หาแต่พบั้งหอ า, า, ห า, งหาอ คนย่างวานันงกวาดาวนทั้งกว่าดาวันเนีวกร บ, บอรรบก่บบอไปรเขาดืมซุล่าแต่หากว่าเดี๋ยวเขาแต่หากไปยิ่งดีน้ำเขาเขาฝ่อเขาแห้งเขามวลตายไปกับไปเป็นการก็เพีบานก็เก่าหันใช่ไหสมัยใช่ไห้เอาตลอดเป็นยอดดีนะเทิดเาเพื่อไ่ได้เทศเอาจากของ เทอาผู้งเงินมาไหนเทอาโตก็มาไหนมาไหบเลยขาดทุนใหญ่เทอดพุ่งเงนมาไหนเทอาจากข้างมยังใครนี่อจากขว้างเอาไรนเอาพุ่งเงนกับมไหดีวเมื่อแป็นเซ็ดแบบการสอนโตเองเพื่อนสั้นเที่ยงการมู่เพื่อนหรือหยาดงอมขามหาเป็นสั้นเที่ยอง หย่นลงมาต่างกันเยอะบากนแกล้เรื่องเรื่องสอนจากของปันเทศวิทยาธรรมศาสตร์สิฝึกตนดีตอนไหนแล้วจึงฝุดผู้อื่นจึงไม่หลุดรอดในภายหลังพรพเจ้ามันเล็กมันท้ามันวัดมันเบิร์นโอ๊ยโตฟึกตัวได้ครับเอย่างบางดีนะักจัดเว็นะคณะคิดเป็นแบนี้เลย ดีเยียนดีนั่มที่คือขาสรัต์รักทรัพย์เพราะทุพิธในกา ม, มื่นตกพานมาแล้วอันนึงพุ่งไปแล้วมันเล็กช้นพ้าช้นวัดช้น เ, นเบอร์นี่โอ้ยโตขึกนตัวได้ครับเลยมันเยี่ยนดีนักเช็กเวทเลยขณะคิดหนึ่งก็บง่างนี้งดีเยี่ยนดีนั่มทคือขาสัพ์รักทรัพย์เพราะทุพิธในกา ม, มื่นตกพานมาแล้วอันนึง ผมไปแล้วผมว่าทื่ตัง้งยำหัวประทูขอครอบแกก็คสิว่ายกเอาว่าห้ดีไม่ไดบอกใครไปตึกมะไม่ไจะบอกว่าใไปไปซื้อประทูมาให้กินจักวโตได้นะาะไรวาเนี ห้องข้สอนเขาบอองค์เจ้าข้ามนี่ตัณแ์แจ่พ้องคำไม่ตัณฑใแจงนีแหละเขาบอกี่กระดูกเฮ้ยไอ้พลอยไงข้าจะไปหาใส่โทรมาสังมาสอนดีลืนพระองค์เจ้าข้ามเขาบอก่านี่ไงนี่โลกนี้เขบกว่านี่นี่โลกน้าก็่นี่นี่โลกทีวงแล้วเขาบอกว่านี่สิพระองค์เจ้าข้ามสอนฆราวาสก็ดีสอนพระเนี่นก็ดีข้าจะไปหาไสกไม่สงสัยะใส่ไม่จะสงสัย แย่างนั้าสงสัยในศาสตรสารสิการปฏิบัติ้องเข้ากับวิากเด้เข้าปฏิบัติหน่อยกับแม่น้องเข้าเขาปฏิบัติหลายกับแม่น้องเข้าาอ่างนั้เขาสงสัยเนเร่องขอยาส่นสงสัยว่าถ้าพุทได้ต่นซื ซ, ซื้อดอกมันบ่ไจริงดอกกสงสัยครับถ้าพุทธเจ้านี่อีรีบอกเหรอว่ามัไม่เลี่ยงนีท่านใ น, นส้มซื้อหรเพราะว่าพูดทังคน เข้ามันโมโหเขามะป่านั่นเลยมโหเ้ามันมันเสิยยาป่านนั่นเลยเพราะกเถือว่าไมีบุญไม่บาปหลวงตาแดงหลวงหลวงตาแดงน้ำแก่เบ็ดวงเจ้าหลบตาแดงน้าแก่เบดปวดตาแดงน้ำแก่เบ็ดหลงตาแดงน้ำแก่เบด หงตาต้องแก้ตาห้งหูน้ํงแก้หูแก้ใจไปแล้วหลงจมกก็แก้ใจห้งเลี้ยงก็แก้ใจหลงกายก็แก้ใจหลงใจก็แกะใจเองหลงใจก็หงนะหลงใจว่าตนตนเป็นใจหลงตาคือหลงนะหงตาว่าเป็นตนตนเป็นตาหลงหูว่าเป็นตนตนเป็นหูหลงดังว่าเป็นตนตนเป็นดัง ธรรมะสัตว์สูงหลงรื่นเป็นตนว่าตนเป็นรื่นหลองกลายเป็นตนว่าตนเป็นกายหลองใจเป็นตนว่าตนเป็นใจใจตัวเดียวตัวเที่ยวหลงตากูหูโกูจมูกโก้รื่นกูกายกูใจกู หลวงดินลวงนาําลวงไฟหลวงลมไปดินกูน้ากูไฟกูลมกูทุกของกูทุกของกูอุเบกขาของกูความจําของกูจำลูกจําเสียงจำํงจำสิ่นจํารสจําโสดจำพระจําสัมมารมณของกู UE ทั้งนั้นพระปรมศ า, าศริดารู้เท่ า, า, ารือว่าเกิดขึ้นยากกัแบบกูนี่แตกตายเป็นรัน าเป็นได้สักว่าตาหูเป็นได้สักว่าหูจมูกเป็นได้สักว่าจมูกเล่นเป็นได้สักว่าเล่นกายเป็นได้สักว่ากายใจเป็นได้สักว่าใจเป็นสอนอย่างที่างหนาครับเพื่อจะสอนอุปัฏฐาเพื่อจะว่านอนเฝ้าคีดินมู่งเฮาเสมอคีดินเต็มโตแล้ว นอนเฝ้าน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเลือดน้องเป็ีนโตอยู่นอนผาทากไฝ่ทากไฝ่ก็เป็นโตนอนผาทาล่มทาร่มก็เปลียนโตนอนผอห้างกระดูกห้างกระดูกเป็นโตอยู่ห้างกระดูกก็เป็นผาดเดีมีก็เตลียนโตเตลียนใส่เตลี่ยทองนอนเฝาอยู่ มันมาเป็นน้ำไพล์เป็นน้ำมูฮ้าวมาเกิดพ่อแม่ฮ้าวเขาบ้าอะไรในบ้านมาฮ้าวมาเกิดฮ้าวในสางอ้าวถ้าบุญน้ำเพลินฮ้าออกมาเกิดนําเพลินอ๋อเพราะฮ้าวย่างมาผลจากเกเือต้ก็ต้องมาเกิดไม่ใช่ศาสตใช่ศาสทั้งไปล์้างว่านเลยใส่เวททังไปล้างว่านเลยใส่กรรมทั้งไปล้างวานใส่กรรมแท่นกันวะไรวัวกันใส่กรามวัดส่องหน่อชูฟังฟาส่กฮ้างย่างมัผลกรรมอะไรเหร น, น, น, น oke, ั่งกลิ่นฮัายาังหานอน้องเหะอเป็นคี้ขาเจ้าของนองเเป็นขี้ขาเข้หลงเจ้าของมากเขามาเมื่อเปาวไฟก็ไปเมื่อเปลวอไรแต่ว่ากีบใหญ่พรงมันเปล า, าเอาขอมไปนํามากเอาข้อมืมาเกิดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ความสวขมัตามมาอีก ก็เลยขาตัด ท, ที่ิ็เนี่ยสาก้อนมันกระตามมาก็เลยาทาบริจะสาก้อมันกรตามอมา่มันกนนลังหาผลมันหายอยมาทางแล้วเป็ือนมาล่องจ่องบ่นีมคนสิตอยแล้วข้วยมวเป็นผลกรรมจากสาก้อนอย่แล้างไว้มีผ น, น, น, นเกิดมาพ ร, ร, ราะไข้ไข้ไข้หนาวเพไขเป็นวัดเป็นไอเป็นคนเกิดตะกนลสงเง็นขนพา้นแม่ กับผลินกับ่านผลกรสากรนองปลาห้องมันแขงเหือแขงแห้งกันแขงไรกันนะแขงวัสนากันแขงอะไรกันบลมอตบราระมานก็ยิ่งชะโนยฝายพันธ์พอเป็นดอกไม้กัารก้องบัวบานยิ่งชะงค์เจ้าไม่เป็นดอกไม้บุษ่ามันม่าน ก็ได้ทัตูขามเดชนี่หากบุญมากว่าตนขู่ว่าสั่วันนี้มาหลายเนี่ยสั่งวันนี้มาหลายเท่นก่านนั่นแหละพรองค์เจ้ายังมีม้ามาผจรด้ว่เห็ดเนื้อตนเนื้อม้านลยพระเทวทัตยังตามมาอยู่นี้นันในชางที่ดีน่พระเทวทัตเกิดต้องยุติตามนะศาสตร์พระพเจ้ายังตามอยู่คนนี้ตามมาข้าพอผจญขึ้นอนห่างค่เนี่ย เขาเป็นบรมเกิเลสด้วยในหันมันก็ขึ้นหาพระเทวทัพหมดตัวขึํากำพุนโตลมล้มวรรับไหวเขาตาผู้กำ ม, มขึ้นทนไม่ได้ก็ฟาฟาวรรับไหวโตมาเสานาพนพระเทวทัพเบียดเบีย น, ย น, ยนพระพุทธเจ้าคือกนขันกาแล้วผลก็กาบ่มีมันก็บม่ยอมเสียพระพุทธศาสานาที่กำเลย จำลพของกัมมันนี่เ้าองไครของมั่นเนี่ยมันหานผลด้วยสารไตสวนสารกระถินโย่กำกัมแลวพลของกัมพยางานก็โยห์หันวาราคาซัดตายอันนี้สค้าห้อยซาบแ้น้ำเบียดเบยนน่มันมาขาดแต่รับษาพร้อมเพ่อนสิ้าห้ยซาก่นเพื่ว่าเบียดเบียนเท่าอย่างทีีผู้รักษาเทาอย่าง เราฟื้นตรามคือการาห้อยซากคนแน่ละหาหอยากห้อยซากมีไม้ออกไมก็มาออกจากนรกแล้วนี่จิตเคยเวีดเวียนอแน่ละหา ห, าหอยากหอยากกับมาเท่าทั้งนั้นสางไว้เวลาสางแล้ ว, วลล ก, พนนาาก็พ่อใจสางสางพ่บตัวเวลามาได้รับผลมนก็ได้รับย่างพ่อใจเหมือนกันตอนนด้เาสางก็ดีพ่อพ่อใจสางเวลารับผลมาก็ได้รับ ย่างเก็นชัวมันก็ตับนะฉันจอพ่นถนอมเา่พเาพ่นว่าพดีบอกไรพั้วเด้จงทําดีจงทําดีะก็เห็มันก็แม่วยพหรือทั้งที่แ ก, กว่าว่าวย้อนน้องมากกว่าวิ่จงทํากิจให้ละชัว่วทําดี จงทำจิตให้บรรเทิงในการละชัวทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเวลาผนวกย่อมีผนวกย่อตรงนั้นเวลาท่าไรอะไรห่วยเอาได้ไหบเอว่าเอ๋อเอาเถอะได้เลยคุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันซ้องพระค้นคาหาประมาณว่าไม่ได้ซึ่งมีอยู่ทุกการทุกเวลาขอให้ปวงเศร้าโลกทุกศาส น, นาจงมี้ความชุกความเจริญนิ่งยิ่งเึินไปฝ่าชายจากจากร ะ, ระเพล่งกระเพื่อนทังกงใน้ทังอ่อมทั้าไก่แม้ก็ทั้ไก่ยแม้ทั้งเมื่มีประมาณส่วจนจากาบเถ่าขอถึงตูพันยิพาน ืยธมงคลบําเพประมาณก็พาเธอประเทศไทยเอาไปกันกำลังทุกคึกคิกคีนี่ขอให้ความสงบความเจริญสักตลอดเชิงเศราโลกทุกส่วนนาโดยเดชสุภวุพระธรรมประสงค์จงตามรักษาโทธมือลจงกนดอนในข้าเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นเหลืองใสในพระพุทธธรรมประสงค์ทุกส่วนนะแล้วหันนาใสกันพันเหลืองใสในพระพุทธธรรมประสงค์ทุกส่วนนะอย่าหันนาใสกันเองเลด มัต่อในบังคับยากมามันหนัก่าเองมันตามก้นตามบเหวี่องสายแนวคุณพระท่าประสงค์มันก็ได้ขันหลังส ก, กันเหล่ากันม้วจักเรื่องขอโทษทั้งโมังโคคุณพระโพธิเจ้าอัหาประมาณมไม่ได้คุณพระท่าอัหาประมาณมัไม่ได้คุ้มคุญพาลยาทรงหาประมาณมไม่ได้ขอให้ชิ้นที่มีในย่านคล่องชิ้นชัวรทงแต่โลกทาตุย้งสบจ้ควุ้คว่เจริญเนี่ยบอกว่าเรพธิสาวนาาะทังพระทามาทัพเจ้า เรอทุกมือยังยืเกดไปกัะทังทีุ่ณผู้สอบนั่นกอขาอดเธอพุทธศาสนาทั้เอาเอา ล, าละไปพญพาเข้าไปรับพูดประตำประงอย่างที่ดวงใจก็เทืองอะไรนะในเขาพูดประตำตรงลงน้ำขึ้นบกไหนก็ไปด้วย คงทูเชื่อช่วยเพื่อนผีไม่นี้หนายรู้รักพุทธธรรมสงอยู่ไม่มีอาขีคายใครกล่าวได้ก็เก็บแทนด้วยแค่เพื่อพูดที่เปลี่ยนเปลียนศาสตนะพุทธมันก็มีอยู่ทุกยทุกสมัยข้าพุทธเจ้าก็มีอยู่ทุกพระ อ, องค์เลย ท่านใดก็ดีถ้าพายุไม่พัดภูเขาก็าไม่รู้จักว่าภูเขาแน่ถ้าไม่บ้วนทำรายต้นฟ้าลองดูก็ไม่รู้จักว่าฟ้าสูงตกใส่หน้าผู้บ้วนกว้างป้าค้อนใส่ต้นเสานักมวยเอกก็ลบไม่ทัน ถูกไหมถ้าความใกล้มันก็ไม่ถึงกวามใกล้มันก็นักมวยเอกลบไม่ทันต้นเขาเหมือนพระโรมศาศาศาศาัสาสนาฝ้าก็เปียกเหมือนพระโรมศาศาศาัสซาตนาหินก็เหมือนพระพศาสนาพระโรมศาศาัสาตนาในไลกลโรกทานียใครจะมาครบให้ชนะพระพุทธศาสนาไม่ชนะหรอกใครจะมีได้มีเหลียมสักเพียงไหนก็ตามถาเถอะ ผลขอกรรมมันตามตามให้ชิบหายเรามองดูสิพวกที่เขาผีรอว่าไมนมีบาทในบุเข้าไปได้ได้ ไ, ดไหมเข้าไปรอดไหมแตกเระเจกันแล้วนะนั่นคนือผอกรรมตามใองไดไหมแตเกเ้ยเจอมแล้วเพคากรรมตามใช่ไห คาเทะระัตก็เบี่ยงเยนครับเพราะพระสมายพรพทธเจ้าทุกฉาตทุกทแต่ก็บพอกรรมก็ตามสนองอยู่พระเบียงเยนไม่ถึงพวกที่วางแผนเบี่ยงเรียนื่อแก้ฉากน้าได้ไปในทอดไปในทอดเนาะร้อยเปอร์เซ็นตละลานเปอร์เซ็นอีกด้วยไม่อันหนึ่งก็ตั้งอันหนึ่งละ บอารัติขดวันนี้ขาพระตายขี่ศพราตั้งแต่ตั้งรัติมาทไไมี่นี่ไปได้ไหมนั่นประเทศลาประเทศยุดรประเทศขเขาวีพระตายมากที่นี่เข้าไปได้ไหม่ะแต่กระเจิงแรกเลยนั่นไม้ไหวแต่พอรู้ตัวขอสายค่ะไม่มีทุนต่อโซ่ครับ ก็ทำจริงม่ได้พูดกดพูดขมพูดทำไปจริง ทำไมถึงเมยน้อยพูดถึงวัฒนธรรมน้อยก็ตามน้อยก็เป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ของดียอเมยน้อยพูดเรื่องใช้แล้วพูดถสัตว์น้ใช่คนงู คนชางมันมีเกียกรตมาแล้วคนรู้จักของดีแล้วตาสูงใจสูงทำสูงแล้วตาปัญญาก็สูงตานอกก็สูงตาในก็สูงใจก็สูงด้วยสติปัญญาก็สูงด้วยราบครอบด้วยวาสนะสูงด้วยคนไม่มีวาสนะจะเริ่มใช้พุทธศาสนาอย่างไรได้ นัดการแก้ตัวเน่คุยเขีย ร, าารไกพบรอยเม็ดเดือดงามดีมีค่า ม, มากขอพูดเบยๆขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าข้าทันทีเขาคงเก็บเจ้าไปฟังไว้ให้ม่าแหวนตานี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยวสู้แต่ข้าวถึงข้าวสานเม็ดเดียวก็ไม่ น, าน่าว่าแน่ขอคุยเฉียรัป็นแรงท่นี่ทางเรื่องนี้สอนได้ว่าของครดิย่อมี เดี๋ยวแูจ้จากใจถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็อับเฉยไม่ได้หนันอันเดียวกันะคนบา ง, งาพรั้งพ่อรึ่งสาสนะพุ่งตีดีๆนะเขามาหลอกไปสารสนะอีกก็ไปถก็ทิ้งตู้เลยมันเป็นการแก้แค่พอเลยเราเป็นนกเป็นปลาก็ต้องเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอย่าไปติดติดแล้วของนายพานที่ป่ยเราไว้ อาชนะอื่นเขาร่อเขาเอาอยู่อร่อแต่พอเขาจับได้แล้วเขาก็ไม่ต้องร่ออีกเลยเหมือโคงเหมืนกระเบือออมึงมากินสักฟางเออนี่อาหารนี่ยากรสส ด, ส ด, สดงามงามมึงมากินพอเขาจับได้แล้วเขาเข้ามาใส่กลุยงกี้ปลาปลูกอาค่ะเขาเอาเยื่อเว็บร่อเย่าปูบ้างอย่าปลาเล็กมาก กินแล้วก็เกาะปากแล้วเขาจเอามาเป็นอาหารในการเก็บกันแล้วนี่เราไปให้คะแนนเสียงเขาคนยังไงเงินเพียงร้อยบาทเราไปซื่อเขามากินจับเรามันก็ไม่ถูกผู้ไปเป็นธรรมเราก็จะไปให้คะแนนเขา คือเขามากินตับเราเข้ามาแล้วาเขาพอหอบเอาวีเดียวขขาพอได้เราสำหรับที่ทำสอนแต่ละวัดระบากพวกปกครองหมู่เพื่อนก็ดีก็ปกครองข้าราชการก็ดีพกครองบ้านเมืองก็ดีถ้าทิ้งคำสอนพระศาสนาแล้ว ไปมายอดก็อเอาเป็นแว่นเป็นกะจกเงาเป็นบรรทัดเป็นดิ่งเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัวเป็นเครื่องเทียบเทียมชาที่เขาพูดศาสนาเราไปมารอดชาวโลกไปมาลอดอัดะมาดกันอยู่ทุกหยอญ้าะค่าขายเพระราะว่าเราริษัทเวลาเขบอกค่าขายสมานค้าขายมรดกค้าขายสารพิษอะไรเนี่ยสารพิษตัวฆ่าคนเปนอาหาค่าขายเรามาค้าขายยาพิษชาวโลก ค่าขายเครื่องอาหารดูหูือก็ค่าขายเวนค้าขายไผ่เวนไั่นั่นเองเครื่องอานห่นเขาซื้อมากมากเขาขะค่าอเมริกาเขาเซื้อมาก่ากเขาขะค่ารัสเซียเลยาำเครื่องมือใ้เขามา่าตัวแต่เวนสนอเวนอยู่ในใจรบอกาทีเครื่องรบก็คืออะไรคือเครื่องเวนนั่นเองวดเครื่องวัด เพื่อเพิ่มลบราค่าฟันก็คือปลดเวรปลดไฟัน่นเองนั่นปานาเิบาตินนากามเมีมุสาสุรายก็ปลดอาวุธในทางที่เป็นเวรนะเป็นไฟนครับแล้วก็ศารน า, า, าบอกให้ปลดอาวุธแล้วก็เอาอันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่มาพูดเป็นในกามไม่ดุสุราไม่พูดมุสาไม่ดุสุราเนะี่ยเป็นอาวุธเนี่ไหมกลายเป็นธรรมะไปธรรมะอาวุธใช่ไห ธรมะพัฒนาพัฒนาจิตใจของเร า, าให้มีเวรไม่มีภัยถ้าล่วงแล้วเมื่อเสี้นห้าก็เรียกว่าสนองเวรสนองภัยยกว่าสร้างเวรสร้างภัยยกว่าพัฒนาเวรภัยถ้าตรงข้ามก็พัฒนาไม่มีเวรไม่มีภัยคนะ่าสัตว์โทษของการฆ่าสัตเกิดมาได้พบไดเพราะเป็นคนถึงมีชีวิตสั้นตายไปตน ก, ก, กนรกออกรรมนรกมา ก็ถูกเขาฆ่าชาติละห้ารอยชาติชาติละห้ารอยชาติถ้าเป็นโคก็นี้ถ้าเป็นกระบือกก็นี้ถ้าเป็นมนุษย์ก็นี้นะแล้วของเขานีตายไปก็พยายมกลับไปตัดมือทิ้งลงในหม้อเล็กแดงตายแล้วเกิดตายแ้วเกิอดอยู่นั้นน้อยพบน้อยชาตนับเป็นแสงชาติแต่มนุษย์ตานาธีบาทก็เหมือนกัน ออกจากนั่นมาแล้วก็มาเป็นเปดออกจากเปดมาก็เป็นกว่าจะได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มีอะไรมาเขาคลั่ไปหมดไม่เขาเขา้ามายําเกรงเลยเขาล่วงละเมิดไปหมดพูดที่ถูกเขารักบ่อยๆก็คือแต่ชาติก่อนเคยรักเขานัวเองกามีอาถรรพไม่ใชาจารย์ถ้าล่วงละเมิดตายไปกะตกมาเมื่อนะกี้นรกเหมือนกัน เหมือนนั้นหลายแสงปีออกจากนั้นมาออกเป็นเปรตออกจากเปรมาเป็นโคเป็นกระบือก็ถูกเข้าเหยียบตายระดมมาลงมาเป็นมนุษย์มีบุตรในหลานเขาเขาเอาไปทําอันไม่ดีไม่ได้ระดมมาลงแล้วเป็นก็เป็นคนกระเทยอีกรุ่นอีบางชาติมุสาเขามันกันลูกนรกอีก พายามตัดลิ้เขาเล็กแดงมาตัดริ้นก็ ต, ตายโอยโอยมดกรรมมานั่นก่อนไปเปเปรตออกจากเปรตแล้วคำว่าออกจากออกจากไม่ความว่ า, าได้ตังแสนปีนะไม่ใช่ว่าวันเดียวคือเดียวออกจากเปรตมาก็มาเป็นมนุษย์หรือเป็นเออเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้ว嘛 ถูกเขาต้มเขาตุนถูกเขาโกหกพกลมหมดเขาะอาน้สงส์ตามมาสุราตัวของสุราเนี่ยตายไปเขาพยาโยกเอาเล็กแดงเอาน้ํำเล็กแดงก่อกปาอยู่หลายแสนตีตายเกิดตาแล้วเกิดอย่านี้ตายแล้ว ก, ก็เกิดตายแล้วก็เกิ ด, ต, ด, กกดตัวเป็นโจนขึ้นมาเราเหันนี่ ไม่ได้เกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่เกิดพูดขึ้นสิ่งเดียวเมื่อเรานอนฝันออกจากนากงขอมาเป็นเปรตออกจากเปรตได้เปล่ามาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ห้านระชาติอีกโทษของสุราความช่วยอย่าทําเท่เลยดีกว่าความดีจงพยายามับ ถ้าบาปไม่มีการละบาปก็ไม่ถ้าเหงื่อไม่มีหรือไม่สกปรกในการกาอาบน้ำก็ไม่มีการส่งน้ำก็เลยมีจิตใจก็เมือนกันถ้าจิตใจไม่มีกิเลสการละกิเลสก็ไม่มีถ้าเหล็กไม่มีสนิมการจะขับสนิมก็ไม่มีแต่เหลกดีไม่มีสนิมสาระพูดเท่านี้พอได้หรนานแล้วมีก็ะบอกแล้ว